วันนี้ออกมาดูเข้างานรับพระราชทานปริญญาของมอชอเห็นคนยเ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยโยเยอเห็นแต่ อ, อิเลียหมดหมดเลยครับเห็นโอ้ไอ้พวกนี้นี่จิตมันเป็นอ่าเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตะชาวายโยธาจิตตะชาวายโยธาเป็นปัจจัยให้แขนแกว่งเท้าเดินหันหน้าหันหลังปากขยับเลยว่าไม่เลื่อนโอ้เห็นตามนั้นเลยนะเห็นก็นี่อา น, นิสงส์ของการทำ ไม่เลวฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงว่าในโลกนี้มันเต็มไปด้วยกิตตชาวายโยธาเนะ่ะถ้าม่มีกิตตชาวายโยธาอย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นต้นไม้มเป็นต้นไม้จริงๆไม่กระดุกระดิ ก, กลังนึกอยู่เหมือนกันว่าให้พูกการอธิบายบับพระนี้สักวัน ในฐานะผู้อาเสวนะปัจจัยมากในบัพพานี้คันธบัพพะนี้คงเฉพาะอาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าก็เริ่มขึ้นอายตนะบัพพะอายตนะบัพพะก็เอาตามสติปทานก่อนถ้าจบข้อความในสติปทานน้นขึ้นอายตนะที่เป็นสลายตนะตามสมควร คมาตามสมควรนี่ก็องค์ประกอบหลายๆด้านนะถ้าสูตรไหนมันซ้ําๆก็อ่านง่ายๆอยู่แล้วก็ออกมาก็คิดว่าอ่านเองก็ได้และก็เล่มต่อจากเล่มนี้นะเล่มนี้ยีิบเจ็ดนะเล่มต่อไปก็ยี่สิบแปดแต่อาจจะได้ขึ้นจริงๆก็สักอาทิตย์หน้านู้นเพราะอาทิตย์หน้านี้ว่าตามเอกสารไปก่อนเนาะ น, นะ เ yes. ลนยี่แปดยีิบเก้าไหนพุน่งนี้เหรอก็หมอมาหรือเปล่าไม่รู้เยนะเขามีงานเหรอมีงานเสียงดังมากไหมไ ม, มาโหมาอกันนะงานอะไรบ้างแาไม่เป็นไรม แล้ววันวันเสาร์ดังด้วยทั้งวันไหมกลงวันบอโหเหมือนกันเลยไม่มีรายละเอียดอะยั้มีไหมอ๋อเพิ่นมามีเสียงดังแล้วามศรัทธาวัดเจดีย์หลวงแล้วเรื่องวัดวานในธรมแม่สีพันธ์ ขึ้นวันนี้ขึ้นโคโมายะปินดสูตรเลยนะพระสูตรต่อจากพระสูตรที่แล้ว <c oughs> โคโมายะก็โคมาย์อะนะก็คือสําเร็จมาจากโคนี่ควรจะเป็นอะไรก็ขี้โคนั่นแหละแต่ อ, อินเดียนี่ชัดเลยนะขี้โคนี่กองข้างถนนยังกระจอมปลือกเล็กๆๆ ก, ก, ก, ก, กันนะจอมปลวกทั้งหลายแหล่ข้างถนนอินเดียนี่ขี้โคทั้งนั้นไปเห็นเขาเขาตัดไอ้ฟางอะ่ะเขาใช้ตัดแบบอืม เราหั่นักบุ้งกันะตัดตัดตัดตัดัดเสร็จแล้วเข้าไปคลุกกะขี้วัวพอคลุกกะขี้วัวเสร็จเขาก็จะทําให้มันเหมือนกับข้าวแตนอะนะให้เหมือนข้าวแตนอะแล้ว<ล>ก็ไปตากแบบแดดตากไว้ข้างถนนเต้ไปหมดพอมันแห้งแลจะมาโปะกองกองกองพอมันกองสูงมากเขาเอาขี้วโคด้วยกันเนี่ยมาฉาบทำฉาบเสร็จมันจะแห้งทั้งปีเลยมันจะเป็นหน้าฝนฝนก็ไม่เปียกมันก็เป็นจอมปลวกอีกจอมหนึ่ง เน่ยนี่ก็เอาไว้เป็นฟืนเป็นอะไรไปแต่ก็คือประโยชน์ก็คือเชื้อเพลิงกันแหละแต่ว่าเป็นเชื้อเพลิงไปทําอะไรอีกไม่ทราบเพราะว่าในรัศมีเป็นกิโลกิโลของเขานี่มันหาต้นไม้ไม่ได้อะมันก็อันนั้นอ่ะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีของเข้าแต่ก็หุงข้าวนี่สุกสบายสบายเลยอนี่ยแหละหงข้าวคือถ้าระดับคนจนขนาดนั้นนี่ไม่มีปัญญาหาฐานหินแน่เนี่ยเนี่ยไม่ไม่มี คงไม่มีความสามารถหาฐานหินได้เพราะฐานหินมันไม่ได้กระจายทุกรัฐทุกอะไรทั่วไปหมดนะเนีเพราะว่าถ้ากิโลถ้ากิโลหนึ่งถ้าเป็น10รูปีขึ้นไปแล้วถือว่าแพงมากแล้วเห็นไหมค่าแรงวันไม่กี่รูปีเองเห็นไหมค่าแรงคนงานเขาวันละ40่รูปีก็วันละสีบาทนะนีค่าแรงเขาก็อยู่ทะประมาณเท่านั้นซึ่งของเราเนี่ยร้ยกว่าบาทอย่างซึ่งแล้วก็เงินรูปีของเขาก็เท่ากของเรานั่ยแหละ มีค่าเท่ากับเงินบาทนั่นแหละนั่นก็ประโยชน์ขี้โคเนี่ยมีเขาไม่ทิ้งเลยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งมูลโคหญ้านะโอ้โหมาเห็นหญ้าบ้านเราแล้วมันเขียวเฉ้มไปหมดหญ้าของเขาเขาค่อยเล็มเอาทีอย่างไรเล็มตัดผมเอางั้นนะ่ะนะเขาค่อยเล็มเอายา่ <c oughs> านั่นนะ <c oughs> เขียวเล็กๆเกีเกเ่ยวเอานั่นนะเขค่อยเล็มเอา <c oughs> กว่าจะได้สักถุงแค่นี้นี่โอ้โหยังก็เก็บผักงั้นนะ่ะ จริงไม่ใช่เอาหญ้าไปให้โคให้แพะนะแล้วก็จะมีนมแพะใช่ไหมนมแพะเขาก็โอ้โห อ, อ, อร่อยอร่อยกันนี่นะของเราได้กลิ่นแล้วก็ล้ำไส้มันขย่อนขึ้นตั้งเยอะเลยนั่นแหละล้ำไส้มันขย่อนตั้งไรได้กลิ่นนะ้ <c oughs> หมอท่านองบอกท่านจะเอาไหมวังนั้น <c oughs> บอโอ้ไม่เป็นไรหรอกคุณหมอ <c oughs> ไม่เป็นไรนี่แปลว่าไม่เอา <c oughs> จะบอกไม่เอามันก็ น, น่ากาไปขย้อนมาทิ้องนะอาจเจียนใส่รองเท้าใครบ้ า, างมไม่รู้กวัจริงเลยนมแพะเนี่ยดีนะที่ทานได้เต็มมันแรงมากอ่ะไม่รู้แหละแต่แล้วสายขิงก็ไปด้วยนะพอดีกบ ในโคมยะปินดาสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายคันทวรวัคข้อ248หน้า327กล่าวว่านกรุงสาวัตถีก็ถ้าใช้คำว่ากรุงสาวัตถีให้รู้เือว่าคือตัวแทนสับย่อของเชตวันเนี่ยนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่ที่นะวัดพระเชตวันเนี่ยนะ อารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีเนี่ยนะ ก, ก็จะต้องขึ้นแบบนี้ทั้งนั้นเขาจะขึ้นศัพท์เดียวว่าสาวัตถีและว่ารู้กันครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะไปถึงแล้วก็กราบพระผู้มีพระภาคก็กราบแล้วก็นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีอยู่หรือไม่รูปบางอย่างที่เที่ยง ยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่คงที่คงอยู่นั่นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลายเนี่ยนะคือเป็นรูปที่มันมั่นคงมากปกตินะสิ่งที่ยั่งยืนในโลกนี่มีอะไรบ้างเคยเคยเปรียบเทียบไหมอะไรที่มันดูมันยั่งยืนที่สุดกับเพื่อนเลยนะอย่างแรกก็คือดินแผ่นดินนะดูเหมือนับเป็นสิ่งที่ยั่งยืนไมเมื่อไหร่ก็จะเห็นแผ่นดิน สองก็ดวงจันทร์สามก็ดวงอาทิตย์แล้วก็ถ้าเป็นนี่ก็เขาซีเนรุนีนนะ่คือพวกนี้มันจะดูเหมือนกับมั่นคงอ่ะนะดูมันเหมือนกับมั่นคงที่จริงแผ่นดินมันก็ ม, นกมันก็เปลี่ยนตลอดแหละถ้าไม่ถ้าสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็จะดูเหมือนกับว่าเมื่อไหร่เมื่อไรก็จะมีแผ่นดินอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะ มีไหมไอ้สิ่งที่มันเที่ยงคล้ายๆกับแผ่นดินแบบเนี้นะคล้ายๆกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นคล้ายๆกับเขาซิเนรุอัยที่เที่ยงเที่ยงแบบนั้นอนะ่ะมีไหมรูปสักอย่างรูปในที่นี้ท่านปัญหาที่ถามไม่ใช่ถามพวกอุตุชรูปแต่ถามกรร ม, มชรูปมีสักรูปหนึ่งไหมกรร ม, มชรูปเนี้ยหรือกล่าวถึงว่ามีณพบใดพบหนึ่งที่มันมีรูปประคันที่เป็นแบบเนี้มีไหม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะมีหรือไม่เวทนาบางอย่างที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจากดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่เวทนาย่าสืบเนื่องยาวตลอดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนะี่ยมีไหมถ้ากล่าวถึงรูปนะอายุของรูปถ้าเป็นกรรมมชรูปไม่เกินห้าร้อกับนี่นนะอายุก็อายุของมหาพูทรูปเนี่ยนะ ถือว่านานที่สุดคือ500มหากับหมายถึงพรมชั้นเวหััพลาพรมเนี่ยนะเวหััพลาพรมกับอสัญญสั ต, ตาพรมเนี่ยมีอายุ500อมหากับสุทาวาสมีอายุเพิ่มเพิ่นกว่านั้นอีกเนี่ยนะสุทาวาสพรมเนี่ยมีภูตรูปที่มีอายุยืนกับเพื่อนหน่อยแต่ถ้าเวทนาที่ยืนเวทนาเนี่ยนะจะยืนกว่ารูปคือตั้งแต่อรูปัส อรูปภพทั้งหลายเนี่ยเวทนาเนี่ยจะยืนแต่ก็ไม่เกินแปดหมื่นสะี่พันกับเนี่ยนะคือคือความสืบเนื่องของเวทนาเช่นเดียวกันเนี่ยนะเช่นเนวสัญญานาะสัญญายตนะที่เหมือนกับสืบเนื่องตลอดเนี่ยแปดหมื่นสี่พันกับเท่านั้นเองแต่ที่ทีท่ยงเกินกว่านั้นเนี่ยไม่มีอันนี้ถ้ากล่าวโดยพบนะเพรศก็ถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะ จะมีหรือไม่ที่เวทนาต่อไปก็สัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละบางอย่างที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจัดดำรงคงอยู่อย่างนั้นเองสเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย น, นมีไหมเวทนาที่ันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเที่ยงอยู่แบบนั้นคล้ายๆกับต้องการหาพบ ณพบหนึ่งที่อยู่ที่มันเหมือนกับว่ามันถาวรที่สุดนะนะต้องการหาตำแหน่งที่มันถาวรที่สุดที่มันมั่นคงที่สุดที่ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะต้องแสดงว่าปรารถนาถามดูว่าจะมีไม่สักพบแบบนั้นก็มีคนที่เสนอหลักการเหล่านี้นะถ้าผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะจะตอบเลยมีนะถ้าเป็นรูปนะพรมสินะยั่งยืนมั่นคงนะ เสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนถ้าเป็นศาสนาทั่วไปนะถ้าเป็นของพราหมณ์ก็จะยื่นข้อแม้มาเลยบอกว่าพรหมมะโลกสิมั่นคงเนี่ยนะนะแต่ถ้าเป็นพวกที่รับที่ชั้นสูงไปกว่านั้นอีกก็บอกว่าอารูปประพรหมสิที่นั่นแหละยั่งยืนที่สุดใช่ไหมแต่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุไม่มีเลยเนี่ยนะนะไม่แต่ศาสนาเทวานิยมเขายิ่งยั่งยืนอ่าคือคือ ถ้ามองในระดับของเขานะีถ้าเราไม่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้ช่างให้อะ่ะเราก็จะต้องคิดว่ายืนเหมือนเขาขนาดเช่นของพวกเราทั้งหลายที่เรียกกันของไม่ยั่งยืนเราเรายังเรียกว่ายั่งยืนเลยหลายเรื่องนะเช่นอะไรถาวนวัตถุมีไหมโอ้โหเนี่ยเรามาร่วมกันสร้างถาวนวัตถุนะถาวนก็แปลว่ายั่งยืนใช่ไหมวัตถุก็ยั่งยืนเช่นมาร่วมกันสร้างศาลาเนี่ยถาวนวัตถุ จริงมันก็ไม่กี่สิปีนะเรายังว่ามันยั่งยืนเลยจริงๆแล้วถามว่าพรมมโลกของเขาเนี่ยถ้าเทียบแบบสัมมวนทั่วไปก็นับว่ายั่งยืนมากอย่างเช่นพรหมมาบริษัทชาก็เศษหนึ่งส่วนสามของกับเนี่ยนะพรหมมาปุโรหิตก็ตั้งครึ่งกับมหาพรหมก็อายุตั้งมหากลับหนึ่งซึ่งก็นับว่ายูนมากเนี่ยนะว่าเป็นกับกับเลยนะปริมาณถ้านับเป็นจํานวนปีเนี่ยนับไม่ไหว หรือถ้าเป็นพรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอายุตั้งหลายกับถ้าอย่างที่ว่าเมื่อกี้เวหัพลาพรมหรือว่าอสัญญาส ต, ตาพรมนี่อายุตั้งห้าร้อยกับอ่ะเมื่อขนาดนั้นนี่มันก็ต้องเหมือนกับมันเที่ยงจริงๆอ่ะขั น, นายของเราสร้างอะไรที่มันสามสี่สิปีเรายังว่าถาวรเลยนะตรงถ้าขนาดนั้นเขาก็ว่ามันถาวรเหมือนกันเห็นไหมเพราะเมื่อไหร่มันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะนะมันถาวรจริงๆเลยอนะ่ะอันนั้นคือมองแบบสายตาบุคคลทั่วๆไป แต่ถ้ามองแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหยกล่าวว่าเป็นผู้ที่รู้อดีตรู้อนาคตเท่าที่ประสงค์เนะี่ยนะอย่าว่า 84,000 กลพันกับเลย8 4 0ห0ืลพันกับยังไม่ถึงแสนกลับเลยใช่ั้มแต่ก็เกือ บ, 100, บ, 100, บแสนกลับละสาวกทั้งหลายตั้งความปรารถนากว่าจะเป็นพระสาวกนะอย่างพระอ น, นุนพระอนุรุทธะพระมหากัจายานะพระมหากสปะท่านทั้งหลายเหล่านี้โดยมากก็แสนกับกัน พุทธมีดาพุทธมารดาทั้งหลายก็ตั้งความปรารถนาแสนกับเนี่ยนะถ้าเป็นอาัคารส า, าวกก็หนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับถ้าเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าก็สองอสงไขยเศษอีกแสนกับเนี่ยนะถ้าเป็นของพระารันะสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่วันที่ได้รับพุทธภยากรอย่างน้อยก็ ส, ยสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าระลึกได้เท่านั้นหรือบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าระลึกเกินไปกว่านั้นอีก ระลึกพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านั้นเช่นตันหังกรเมธังกสรสารนางกรแล้วค่อยมาพระพุทธเจ้าทีปังกรนะที่ระลึกเกินไปกว่านั้นอีกระลึกได้แต่ไม่เอามาสอนไม่เอามาแสดงถามว่าทําไมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ในการตรัสรู้ธรรมต่อบุคคลอื่นอื่นนี้ทั้งตั้งคำถามมาเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาเรื่องของพระทีปังกรเป็นต้นอะ่ะมาแสดงเพราะว่าพระทีปังกรเกี่ยวข้องกับพระองค์เนี่ยนะพระองค์นี้ เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคนก็จะระลึกถึงคุณของพระ อ, องค์ก็จะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหด้วยพระองค์ก็จะเจริญพุทธานุสติได้ก็นับว่ามีประโยชน์พระ อ, องค์ก็จึงเอามาแสดงนะพระงค์ก็รูปถ้ามองในสายตาของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียวที่เที่ยงเนี่ยที่ ท, ที่มันยั่งยืนถาวรอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นรูป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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยยางมากที่สุดแปดหมื่นสี่พันกับะนนะี้โอ้โหนับว่านานมากนะ ม, มนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ยุคเราเนี่ยนะตายคไม่รู้กี่พันรอบอะ่ะกระดูกนี่ไม่แปดหมื่นสี 84, ่พันภูเขาเนีนะ่ยมันจึงจะได้จึงจะได้อายุเท่านั้นนะ่ะนะแต่ก็นับว่ายุนยอมากนะแปดหมื่นสี่พันกับแต่ก็มีอยู่เท่านั้นพอหมดไปจากนั้นก็ต้องเวียนกลับมาเป็นเช่นนี้อีก หรืออาจจะหนักกว่านี้อีกก็ได้เนี่ยนะก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในมหาสีหนาสูตรเนี่ยพระองค์ตรัสเลยว่าสังสารวัติอันยาวนานเนี่ยนะที่ไม่มีเบื้องต้นมาถามว่าเบื้องต้นมันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีที่ที่พระองค์ไม่เคยไปปฏิสนธิเนี่ยนะหาได้ยากนักเว้นสุทธาวาส น้อยคือหาแทบไม่มีว่างั้นเถอะที่ที่ไม่ได้ไปปฏิสนธิอยู่ณนะตําแหน่งนั้นๆเนี่ยนะแทบไม่มีเลยเว้นสุธาวาสถามว่าทําไมเพราะว่าเพราะผู้ที่ปฏิสนธิในสุธาวาสและจะไม่ได้กลับมามาปฏิสนธิแบบนี้อีกเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์นี่ก็ยังไงถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิสนธิในสุธาวาสถ้าจิตน้อมไปสุธาวาสก็ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเพราะว่าสุธาวาสสุทธะก็แปลว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะ ซึ่งหมายถึงพระอนาคามีขึ้นไปจึงจะอยู่ได้เนนเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่ได้ไปปฏิสนธิในสุทาวาสแต่แต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยไม่มีน้อยเดียวเลยอ่ะที่ที่พระองค์ไม่เคยเกิดเนี่ยนะหายากมากเพราะฉะนั้นในพบทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะมีเที่ยงมั่งไหมไม่มีเนี่ยนะถ้าเที่ยงจะมาปฏิจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิอยู่อย่างนี้หรือเนี่ยนะ <c oughs> จริงๆแล้วถ้ามอง จะเห็นว่าสัตว์เนี่ยนะมันมีการแปลงรูปมาเรื่อยเลยนะมันมีแปลงรูปแปลงร่างแปลงแปลงมหาพูดมาเรื่อยนะกรรมเป็นเหตุเป็นตัจรีแล้วก็เหมือนกับแปลงร่างนะถ้าดูหนังมาเยอะๆมันจะเห็นเลยโอ้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นโน่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นนี่โรโพธิสัตว์นี่ตกนรได้ใช่ครับมีโอกาสตกนรโพธิสัตวนะ์เนี่ยเออ คำถามเนี่ยนะซึ่งมันเป็นคำถามปกติมากไม่หน้าถามตรงนี้เลยเหมือนกันเถอะเนี่ยนะคือคือตอบได้แต่ว่าไม่อยากตอบเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเรื่องที่กําลังพูดอยู่เลยสักคาเนะเดี๋ยววันหลังถ้าถามก็ถามให้มันเข้าเข้าเรื่องเลยเนาะคือมันเนื่องจากว่าได้รับการศึกษามาไม่ค่อยไม่ค่อย เข้ า, ข า, ขาแนวนะพอพูดถึงรูปไม่เที่ยงทีไรนี่นะมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยเพ่งเข้ามาที่ที่ตัวแปลงจริงครับกลายเป็นรูปปรามัตดเป็นอะไรตออะไลไปเพราะว่าหนักไปทางอพิธรมแบบนั้นนะซึ่งความจริงพระพิธามเขพูดถึงรูปก็ตอนนี้นะขันท่านี่นะแต่แปลงจริงครับนานน่ากวจะเปลี่ยนแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เผลอๆยังออกไปเลยครับขันถ้ามองถึงรูปนะรูปที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความเบื่อหน่าย่ะ เธอรูปที่ที่มีวิญญาณครองแล้วรูปที่มีวิญญาณครองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาเห็นปุบ๊บป๊บแปบๆแค่เนี้ยนั่งดูแค่นี้แล้วพอเลยที่จะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดนี่ไม่พออยู่แล้วเนี่ยนอย่างน้อยที่สุดถ้าผู้ที่เป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยจะต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทเชื่อมเหตุผลเนี่ยมองออกเลยว่าอดีตชาติเนี่ยควรจะเป็นเหตุปัจจัยอะไรอนาคตชาติเนี่ยกรรมจะเป็นปัจจัยต่อไปอยังไงก็ต้องรู้ ถ้าไม่รู้อย่างนั้นเนี่ยการปฏิบัติเพื่อออกจากวัตฏะก็มีไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระที่ที่มีบุญทั้งหลายท่านจะระลึกชาติได้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นรูปที่ก่อให้เกิดความสังเวชมากคือรูปในอดีตชาติเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดนะนนะจะสร้างความสลดสังเวชใจให้มากเพราะอะไรเพราะอาดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยถึงรูปประคันก็เถอะแล้วมีใครมีรูปประคันที่บริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ตลอดมีไหม อันนบางชาติขาขาดบางชาติแขนขาดบางชาติ4ี่โครงหลุดไปข้างหนึ่งบางชาติไส้หลุดบางชาติถูกตัดคอบางชาติเนี่ยนะพิการด้วยประการต่างๆบางชาติตกนรกบางชาติเป็นเปรตโอ้โหหิวอะไรเงี้ยนะถ้านั่งทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตหลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายแสนชาติหลาย ส, สังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากหรือหลายๆกับหลายๆมหากับ ah หรือบางท่านอาจจะลึกเป็นมหากับหรือบางท่านเนี่ยเป็นแสนมหากับบางท่านเนี่ยลึกเป็นอสงไข์กับเนี่จะมองชีวิตที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะมันจะมากขนาดไหนทีนี้วิชาที่สองที่ท่านพิจารณาคือจุตูปะปะตาตยานนะนะก็คือปัจจุบันกับอนาคตวิชาว่า ด, ด้วยอนาคตต่อไปสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิต่อไปยังไงนี่ยนะก็จะเห็นชัดขึ้น จะเห็นความไม่มีสาระของของสังสารวัตรเมื่อเมื่อน้อมในการพิจารณาเห็นความไม่มีสาระเนี่ยนะการพิจารณาที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาของท่านจึงจึงค่อนข้างคล่อ ง, งอ่ะนะท่านจะมองบอกว่าชีวิตชาติหนึ่งท่านดูมินเลยร้อยปีเองเหรอแป๊บเดียวจริงๆริงอ่ะนะอัะนนี้นี่คือมองแบบคนที่กิเลสไม่กลุ่มรุมแต่คนที่กิเลสกลุ่มรุมเนี่ยโหตั้งชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอ เรานเราไม่ไหวเราตั้งชั่วโมงกันนะเพราะฉะนั้นอว่าชั่วโมงหนึ่งก็ถือวันนานของเขามากแต่ถ้าคนที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาเนี่ยนะก็จะบอกอมันหน่อยเดียวแค่นี้เองเหรอเนะี่ยขาจะมองลักษณะนั้นซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดมากนะซึ่งในสูตรนี้จะกล่าวต่อไปนี่จะชัดมากนะ ทั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบก้อนโคลไมเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ได้ตรัสกับภิกษุนั้นดังต่อไปนี้อินเดียนี่คว้าก้อนขี้โคนี่คว้าไม่ยากนะแต่พระพุทธเจ้าก้อนนีรมิดขึ้นก้อนขี้วัวสักก้อนหนึ่งค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุ ไม่มีอัตภาพที่ได้แล้วแม้ประมาณเท่านี้เลยที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจากดํารงคงที่อยู่อย่างนั้นเองสเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีเลยนะแม้กระทั่งเท่าก้อนขี้วัวนี่ก็ไม่มีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าว่าพี่ว่าถ้าว่าเนี่ยเป็นประโยคปริกรับนะคือคําว่าปริกรับนี่มันแปลว่าสิ่งนั้นไม่มีหรอก แต่ว่าพูดเหมือนกับมีนะนี่นะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะพระจะได้ไปบินทาบาทกันอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมถ้าว่านี่แสดงว่าตอนนี้มันเย็นอยู่นะเหมือนกับว่าที่ภูการแนั้นเอามาพูดบ่อยนะถ้าว่าฉันเป็นพระราชาฉันจะให้เธอเป็นราชนินีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือถ้าว่ามันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยพองก็บอกว่าถ้าว่าจักได้มีอัตภาพ หรือว่าจาักได้มีอัตภาพที่ได้มาประมาณเท่านี้ที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนติดต่อกันไปไม่มีความแปรปลวนเป็นธรรมดาแล้วซ้ายการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบจักไม่ปรากฏถ้ามันมีพบสักแห่งหนึ่งที่มันเ ท, ที่ยงนะแม้กระที่เท่าก้อนขี้วัวมันเที่ยงแล้วมันเป็นอมะตะมันทาววอนจริงๆเลยนะถ้ามีแม้แต่เท่านั้นสักที่หนึ่งอริยมรรคไม่มีประโยชน์เลยเนีย่ยนะ คำว่าพรหมจันทร์หมายถึงอริยมรรคเนี่ยนะโสดาปฏิมรรคไม่มีประโยชน์สกอาาคามิมรรคไม่มีประโยชน์อนาคามีมรรคก็ไม่มีประโยชน์อรหัตตมรรคก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าโสดาปฏิมรรคเนี่ยตัดการปฏิสนธิในภพที่8ออกไปนะปฏิสนธิของมนุษย์ในภพที่8สกอาาคามีมรรคเนี่ยตัดปฏิสนธิในภพที่ที่เป็นมนุษนย์นีในภพที่สองออกไปเหลือหนึ่งภพ อนาคามีมักเนี่ยไม่ต้องปฏิสนธิในกามาพบอีกเลยถ้ารหัสตำมักไม่ปฏิสนธิในพบทั้งปวงซึ่งอนุภาพของมักก็คือการตัดปฏิสนธิณนะณนะพบต่างๆนั่นเองทีนี้ถ้ามันมีพบที่มันเที่ยงแบบนี้แล้วมาทำเจริญมักมาทำอะไรเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าถ้าไม่มีใครป่วยเลยนะยานี่ทำไปทำอะไร ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าถ้าดีหมดเลยนะก็ไม่มีประโยชน์นี้ก็เหมือนกันเนื่องจากว่าพบมันไม่มีเที่ยงแม้แต่พบเดียวอะอริยมรตโสดาปฏิมรตเป็นต้นนี้ Classic. จึงมีประโยชน์เนี่ยนะดูกรพริกษุเพราะเหตุที่ไม่มีเลยอัตภาพที่ได้มาแล้วประมาณเท่านี้ที่จะเป็นของเที่ยงเป็นของยัง่งยืนติดต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบจึงปรากฏเนี่ยนะ เพราะว่ามันไม่มีพบเที่ยงนะโสดาปฏิมักจึงมีประโยชน์เพราะไม่มีพบเที่ยงสกาธาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักจึงจึงมีประโยชน์เนี่ยนะถ้ามันมีพบเที่ยงนะก็ทําบุญให้มันไปเกิดนะพบนั้นก็ถาวรก็จบกันใช่ไหมเหมือนอย่างรัที่สมัยที่ทุกวันเขามีการสอนประกาศอยู่ในโลกเนี่ยถ้าไปสู่ณดินแดนหนึ่งคุณจะอมะตะเนี่ยนะดินแดนนั้นก็แล้วแต่ถ้าฝรั่งเขาก็จะว่าไปถ้าไปอยู่กับใครอ จีนเาก็มีแดนของเขาอินเดียก็มีแดนของเขาเหมือนกันประเทศไทยนี่ก็มีแดนหนึ่งเหมือนกันก็คือแล้วแต่ละที่นะทุกคนก็จะเชื่อว่ามันมีแดนน่ะแห่งหนึ่งที่มีขัดสมบูรณ์ไปด้วยขันห้าขันห้าก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์รูปก็สวยเสียงก็เพราะเป็นก็หอมตาก็ดีหูก็ไม่เสียสรุปรูปขันดีหมดเวทนาขันมีแต่ความสุขอย่างเดียว สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโดยเฉพาะสังขารขันทุกคนฉลาดหมดอะไรหมดเนี่ยนะก็ก็สร้างเมืองในในในอะไรในจินตนาการขึ้นเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็พาคนเนี่ยไปเมืองอันนั้นเนี่ยไปได้จริงหรือเปล่าเรื่องหนึ่งนะแล้วก็มาจัดทัวร์มันั้นเถอะตีราคากันว่าใครจะไปเมืองนี้ได้บ้าง น, นะนะซื้อขายกันนะี่โอโ้หมดหลายตังกันนะคนเนี่ยซื้อในเมืองในความฝันนี่ซื่อมเยอะนะ เรื่องนี้นะทางทางโลกโลกฮนะนักคิดเขานะนักเศรษฐศาสตร์นักคิดเนี่ยเป็นเป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่าเขาจะต้องมีแนวความคิดที่ปฏิวัติโลกเนี่ยนะให้ทุกคนเนี่ยนะให้อยู่ดีกินดีร่ำรวยหมดทุกคนมีอะไรเสมอภาคมีอิสระเสรีเรียกว่าเยี่ยมยอดหมดเลยมีเงินมีทองมีอาหารไม่ขาดแคลนแล้วก็เป็นคนดีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าดินแดนยูโทเปียเนี่ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมแล้วเป็นความฝันจริงๆครับนี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์อลไรเขานักคิดเขาอย่างเนียที่เป็นนักคิดว่าเขาต้องทําให้ได้อย่างนี้นะเป็นประวัติพอพวกลัทธิทั้งหลายเลยนี่ก็จินตนาการแบบนี้ก็มีกลายเป็นลัทธิอะไรต่ออะไรก็มีเหมือนกับมีนักเคมีหรือนักอะไรคนยังไง เขาจะไม่ให้มันมียุงเลยในโลกนี้โครงการเขาจะไม่ให้มันมียุงเลยทั้งโลกเลยเนะจะวางแผนว่าจะต้องโปรยเคมีขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยจะทำให้มันยุงเนี่ยศู์ไปจากโลกเลยนี่คือความคิดของเขาแต่ว่ายังไม่ได้ทำหรอกตายไปนานละคนคิดเนี่ยนะท่า น, นก็จะดูว่าความคิดนี่มันวิจิตขึ้นสร้างเมืองในจินตนาการขึ้นต่างๆแม้แต่เนี่ยเรื่องบุญเรื่องบาเรื่อง และสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมัยใหม่นี่เอามาทําการค้าเป็นเรื่องธรรมดานี่นี่นะเรียกว่าค้าสวรรค์ค้าบุญถ้าโยมบริจาคเยอะโยมจะได้บุญเยอะนเนี่ยนะนั่นก็ถ้าเท่านี้โยมไม่ได้หรอกนะตีมาเป็นตัวเลขเล ย, ยเนะซึ่งของเราก็มีบุญกันนะไม่โดนแบบนั้นนะโมโดนแบบนั้นก็อาจจะเปลี่ยนศาสนาไปก็ไม่ใช่น้อยอ๋อ <laughs> นักเกศสอนีนซื้อสวรรค์มาหลายเมื่อหลายหลายชั้นแล้วนะแล้วก็เพเป็นอย่างนี้นะก็คิดว่ามันมีดินแดนที่มันมีขันห้าที่มันเที่ยงอยู่มันมีเนี่ยโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่มันเที่ยงซึ่งมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วเนี่ยมาจากแนวปาร์คิดอะไแล้วหน้าที่สุนหน้า ความฝันเขาต้องการจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเ้าไม่ใช่ว่าจะหมายจะมาเขีนข่าอะไรนั่ใช่นะแต่ว่าต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วจะไปสู่จุดนั้ น, นท <ำ S 2> าําไงทำสร้างสร้างอาณาจักรอันนั้นให้ได้สรุปว่าไม่มีดินแดนหรือณสถานที่ใดๆที่องค์ประกอบถ้ายังมีขันห้าอยู่แล้วมันเที่ยงเทาวอเนี่ยไม่มีเลยสักแห่งหนึ่ง น, นะว่าโดยสรุป ต, ตามตามที่กล่าวมาทั้งหมดนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปบอกว่ามันมีนะที่รูปมันเที่ยงอยู่ที่เวทนาเนี่ยเที่ยงที่สัญญานี่เที่ยงที่สังขารนี่เที่ยงที่วิญญาณนี่เที่ยงนะถ้าถ้าใครถูกแนะนำแบบนี้นะให้รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังถูกจะว่าเขาหลอกก็ไม่ใช่เขาอาจจะเชื่อแบบนั้นนะแต่ว่าคุณกำลังถูกชักชวนออกจากพุทธศาสนาแล้วให้รู้ว่าเขาชวนไปรับที่ของเขาแล้วที่ไม่ใช่คำสอนของ พระพุเจ้าอย่างในยุคเนี้ น, นะของมาเนี่ยรับฝึกมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนเลยคือในนิพานเนี่ยจะให้มีขันห้าก็ได้ไม่ให้มีก็ได้เออเอาสินนะคือถ้าถ้าอยากให้มีขันห้าก็ได้ไม่อยากให้มีขันห้าก็ได้ถ้ายังอยากให้มีขันหน้าก็ขันหา้าจะอยู่ในแดนแห่งนิพานถ้าไม่อยากให้ไม่มีก็ศูนย์ไปก็ได้แต่ว่ารู้ว่าบนนั้นอะ่ะหลักการอันนี้อยู่บนหลักการของ คือพวกอมาราวิกขออภัยกลุ่มเอกัตจสะสมตะทิฏฐิเนี่ยนะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างก็ไม่เที่ยงแล้วแต่เหมือนกันเถอะแต่ว่าทิฏฐิเหล่านี้ก็มาอยู่มาจากอะไรมาจากสักกายทิฏฐิทั้งนั้นเลยเห็นไหมก็คือสําคัญว่าเป็นเราก่อนใช่ไหมเป็นอัตตาก่อนแล้วอัตตาอันเนี้จะไปเสวยณนะดินแดนแห่งนั้นจริงนะก็คือคิดเอาทั้งนั้นแนหะพวกสิ่งเหราเนี้ยเป็นความคิดชนิดหนึ่งความคิดอนั้นเที่ยงไหม ม่เที่ยงกันนะ้วก็ความคิดอันนั้นเนี่ยตัวทิฏฐิหรือความคิดที่เกิดร่วมกับทิฏฐินะในบรรดาสิ่งที่มีโทษที่สุดอะ่ะไม่มีอะไรเกินกว่า น, นี้อีกแล้วเนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะพาให้ให้สร้างขันโดยประการต่างๆขึ้นมาในโลกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพวกยุงพวกมดพวกมแมลงเนี่ยมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นแหละเนี่ยนะยนะมันทิฏฐินั่นแหละเป็นปั จ, จัยให้เกิดเป็นเดรัจฉาน